หลวงพ่อเข้าสารกับมาปร้าวหมดแล้วโยมทวมวัย66บอกหลวงพ่อสดในตอนเย็นวันหนึ่งโยมทวมเป็นเพื่อนกับหลวงพ่อมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กได้มาช่วยดูแลเรื่องอาหารการกินในวัดโดยไปไปมามาครั้นสามีตายและลูกเต้าออกเย้าออกเรือนกันไปหมดแกจึงมาอยู่วัดอย่างถาวร ตอนอายุหกสิบพอดิพอดีนี่ก็อยู่มาได้หกปีกว่าแล้วหมดกดช่งเธอโยมเดี๋ยวเขาก็เอามาให้สมภารวัดปากน้ำบอกเพื่อนเก่าตอนมาอยู่วัดนี้ใหม่ๆพระเจริญรู้สึกไม่ถูกชะตากับโยมท้วมเพราะแกชอบวางท่าเคืองคงจะเห็นว่าเป็นเพื่อนกับสมภาร ครั้นอยู่นานไปจึงได้รู้ว่าแก่ไม่มีอะไรนิสัยแก่เป็นอย่างนั้นเองเนื่องจากวัดปากน้ําเป็นสํานักสอนวิชาธรรมกายมีพระภิกษุมาเรียนกันมากที่มาจากวัดใกล้ๆก็สามารถไปกลับได้ส่วนที่มาจากต่างจังหวัดจะมาพักอยู่ที่วัดปากน้ําหรือวัดใกล้เคียงที่สามารถจะไปกลับได้สะดวก วัดปากน้ำจึงมีพระมากกว่าวัดอื่นๆทั้งในพรรษาและนอกพรรษาครั้นจำนวนพระมีมากอาหารที่ได้จากการออกบินธบาตในตอนเช้าจึงไม่เพียงพอตกเป็นหน้าที่ของโยมท้วมที่จะต้องหุงหามาถวายเป็นการอนุเคราะห์ภิกษุสามนเณรในวัดและแกก็ทำหน้าที่ได้โดยไม่ขาดตกบกพร่อง รุ่งเช้าปรากฏว่ามีโยมนำมะพร้าวมาถวายสองลำเรือเข้าสารบรรจุมาในกระสอบอีกหนึ่งลำเรือโยมท้วมต้องเกณฑ์พระเนนมาช่วยกันขนขึ้นจากเรือนำไปเก็บไว้ในครัวพระเจริญก็มาช่วยเข้าขนด้วยโดยแบกไปเก็บครั้งละหนึ่งกระสอบแม้จะผอมหากก็แข็งแรง แบกข้าวทั้งกระสอบไหวขณะที่รูปอื่นๆช่วยกันหามโยมมาจากไหนล่ะจ๊ะท่านถามสตรีวัยกลางคนที่เป็นคนนาเรือขนมะพร้าวและข้าวสารมาอีชั้นมาจากวางช้างจักนางตอบมีใครไปบอกให้เอามาถวายหรือเปล่า ท่านถามอีกก็เมื่อวานลุงพ่อสดพูดว่าเดี๋ยวเขาก็เอามาให้ไม่มีหรอกจก้ะเมื่อเย็นวานอีชั้นเกิดนึกอยากจะทำบุญเลยให้ลูกๆช่วยกันสอยมะพร้าวได้สองลำเรือแล้วก็มีคนเขาเอาข้าสารมาให้เป็นค่าเช่านาอีชั้นเลยปั่นมาทำบุญหนึ่งลำเรือวัดนี้มีพระเยอะ กลัวว่าท่านจะอดอยากนางพูดพลางบ้วนน้ำหมากปีดลงในครองทำให้น้ำตรงนั้นกลายเป็นสีแดงแล้วค่อยๆจางหายไปคนมะพร้าวและข้าวสารขึ้นจากเรือเสร็จแล้วเจ้าของเรือจึงไปกราบลาหลวงพ่อสดขอบใจนะโยมอัตตมาขออนุมโมทนา ท่านหยิบพระผงขึ้นมาสี่องค์บอกให้นางแบมือทั้งสองข้างยื่นออกมาข้างหน้าเพื่อรับพระแล้วหย่อนพระผงสี่องค์ลงในมือนางเอาไปให้คนขับเรือคนละองค์ท่านสั่งสตรีผู้ใจบุญกลับไปแล้วราจเจริญจึงพูดขึ้นว่าหลวงพ่อครับผมสงสัยจริงๆ สงสัยมานานแล้วด้วยเห็นจะต้องขอความเมตตาจากหลวงพ่อช่วยให้หายสงสัยขี้สงสัยจริงนะเอาละ่ะจะถามอะไรก็าถามมาภิกษุไวัย66กล่าวอนุญาตคืออย่างนี้ครับผมสงสัยเหลือเกินว่าเวลาที่ของในครัวหมดแล้วโยมท้วมมาบอกหลวงพ่อ หลวงพ่อไม่เคยบอกให้ไปซื้อเลยสักครั้งได้แต่พูดว่าเดี๋ยวเขาก็เอามาให้แล้วก็มีคนเอามาให้จริงๆโดยไม่ต้องไปเสียเงินซื้อผมตั้งข้อสังเกตมานานแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับหรือว่าหลวงพ่อมีคาถาเมตตามหานิยมคาถาเมตตามหานิยมที่เธอว่าน่ะเราไม่มีหรอก มีแต่คาถาแผ่เมตตาเฉยๆมันอยู่ที่จิตนะถ้าจิตเรามีเมตตาเราก็บแผ่ออกไปอย่างสัพสัตทั้งหลายขอให้เขามีความสุขความเจริญเมื่อมีเมตตาจิตก็ดีเมื่อจิตดีนึกอะไรก็ได้หมด นึกเงินก็ไหลนองนึกห้องก็ไหลมามันสำคัญอยู่ที่จิตตัวเดียวท่านยา้าแบบนี้ถ้าใครอยากได้อะไรก็แผ่เมตตาไปใช่ไหมครับพระหนุ่มถามอีกมันคงไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกนะเอาอย่างนี้ เราจะยกตัวอย่างให้เธอเห็นง่ายๆสมมุติว่าเรามีเงินแสนโกดเราอยากจะทำบุญสักสิบโกดเธอคิดว่าเราจะทำได้หรือเปล่าได้สิครับหลวงพ่อทำไปสิบโกดก็ยังเหลือเงินอีกตั้งพระหนุ่มหยุดคิดความที่ตกคณิตศาสตร์บ่อยจึงทำให้คิดช้า ตั้งเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบโกดรู้สึกโล่งใจที่ตอบออกมาได้นั่นแหละทีนี้สมมุติอีกครั้งหนึ่งสมมุติว่ายาจกเขินใจยากจนมากแม้แต่จะกินเข้าไปก็ยังไม่มี แต่เขาคิดอยากจะทำบุญสักสิบโกดเช่นกันเขาจะทำได้หรือเปล่าจะทำได้ยังไงล่ะครับหลวงพ่อแม้จะกินเข้าไปก็ยังไม่มีแล้วจะเอาที่ไหนมาทาบุญก็เหมือนกันนั่นแหละคนที่เขาจะทำบุญได้เขาก็ต้องมีบุญเป็นทุนอยู่ก่อน เหมือนกับเราที่เรามีทรัพย์อยู่เรื่องของจิตก็เหมือนกันการที่จะแพ้เมตตาได้ผลจิตจะต้องมีเมตตาก่อนคือต้องสร้างเมตตาให้มีในจิตตนเสียก่อนแล้วจึงจะสามารถแพ้ไปให้ผู้อื่นได้การที่เธอมาปฏิบัติ มาภวนาสัมมาอารหังก็เพื่อจะสร้างเมตตาขึ้นในจิตเมื่อมีเมตตาก็สามารถแผ่ไปให้คนอื่นได้ถ้าเราไม่มีเมตตาเลยเหมือนยาจกไม่มีทรัพย์จะแผ่ให้คนอื่นก็ไม่ได้จริงไหมจริงครับ แล้วคนที่เราแผ่ไปให้จะได้รับทุกคนหรือเปล่าครับก็ขึ้นอยู่กับจิตของเขาเหมือนกันคือถ้าจิตเขาเปิดรับก็รับได้เช่นสมมุติว่าเราเทศออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกลมประชาสัมพันธ์วันที่หนึ่งเวลาบ่ายสองโมง แต่วันนั้นเวลานั้นเธอไปเปิดฟังสถานียานเกราะเธอจะได้ฟังเทศของเราไหมไม่ได้ฟังครับหรือถ้าผมปิดวิทยุไว้ก็ไม่ได้ฟังเหมือนกันตอบเกินคำถามนั่นแหละก่อนแผเมตตาไปให้ผู้รับจะได้รับหรือไม่เดียวรับ ก็ขึ้นอยู่กับจิตของเขาเหมือนกันพูดอย่างนี้เธอคงพอจะเข้าใจครับผมเข้าใจแจมแจ้งเลยครับแต่ผมก็ยังสงสัยอยู่ดีแหละ ว, ว่าทำไมคนเข้าถึงชอบมาทำบุญที่วัดนี้ทำไมเขาไม่ไปทำวัดอื่นบ้างเท่าที่ผมเห็นมานะครับหลวงพ่อบางวัดมีคนไปทำบุญเยอะแยะเข้าของเหลือเฟือ แต่บางวัดกลับอดอยากยากแค้นแม้แต่จะหาทูกเทียนมาจุดบูชาพระก็หาไม่ได้เพราะไม่มีคนเอามาถวายอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเป็นต้นว่าพระในวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมภารเจ้าวัดท่านปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบ สมควรแก่ของที่เขานำมาถวายหรือเปล่าญาติโยมเขาศรัท ธ, ธาไหมและท่านเคยช่วยเหลือแบ่งปัน ญ, ญาติโยมเวลาที่เขาเดือดร้อนอดอยากบ้างไหมที่วัดนี้เราให้นะเราไม่ใช่แต่จะรับอย่างเดียวพระบางรูปท่านรู้จักแต่จะรับ จากญาติโยมแต่ไม่เคยให้แก่ญาติโยมเป็นการตอบแทนเลยส่วนเราใครมาขอเราให้หมดไม่เคยหวงเช่นบางครั้งมีโยมเขาพายเรือมาบอกหลวงพ่อเข้าสารที่บ้านฉันหมดไม่มีข้าวหุงให้ลูกกิน ขอบินทบาทเข้าสารหลวงพ่อซักหมอเถอะเขาว่าอย่างนี้ใช้คำว่าบินทบาทอย่างกับตัวเองเป็นพระท่านพูดยิ้มยิ้มแล้วหลวงพ่อให้หรือเปล่าครับให้สิก็บอกแล้วว่าเราไม่เคยห่วงใครเรากดสังโยมท่วมว่า ช่วยเอาเข้าวสารให้โยมเขาหน่อยแรกๆโยมท้วมแกกอกกระฟัดกระเฟียนให้ยางไม่เต็มใจบางครั้งถึงกับตะคอกใส่เราว่าข้าวที่วัดก็กาลังจะหมดเหมือนกันเราก็ว่าหมดก็ให้มันหมดไปเดี๋ยวเขาก็เอามาให้พอตกเย็น ก็มีคนเอาใส่เรือมาถวายจริงๆตอนหลังโยมท่วมแกเลยเชื่อตามเราว่ายิ่งให้ก็ยิ่งได้ลุงพ่อสดเล่าให้พระหนุ่มฟังงั้นผมก็ได้ตำราจากลุงพ่อแล้วพระหนุ่มพูดอย่างยินดีตำราอะไรของเธอละ สมภารวัดปากน้ำถามตำราที่ว่ายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งหวงยิ่งอดหมดก็ไม่มาเราไม่หวงกันเราก็ไม่อดหมดก็มาเรื่อยๆตำรานี้ใช้ได้ั้ยครับดีเข้าท่าดีตั้งแต่มาอยู่ใกล้เราเธอฉลาดขึ้นเยอะเลยลุงพ่อด่าผมอีกแล้ว พระหนุ่มตัดพอเฮือก็อ น, นึกว่าเราเป็นผู้หญิงเสียก่อสิ่เรื่องภิกษุ ว, วัยหกสิบหกเย้าทำไมต้องนึกว่าหลวงพ่อเป็นผู้หญิงล่ะครับอา้าวก็เขาพูดกันว่าผู้หญิงด่าแปลว่าผู้หญิงรักผู้หญิงให้จะวักแปลว่าเขากักมือ ท่านตอบยิ้มยิ้มแต่ผมเป็นโรคเกลียดผู้หญิงครับยกเว้นยมแม่กับยมยายผมอ๋อยมท้วมอีกคนหนึ่งพระหนุ่มพูดฉาดฉานบ่ายสองโมงของทุกวันลุงพ่อสดจะออกรับแขกที่ศาลาญาติยมจะพากันมามากมายใครมีทุกข์มีร้อนอย่างไรต้องการให้ท่านช่วย ก็จะเขียนใส่บาทไว้โดยเขียนชื่อที่อยู่และเรื่องที่ต้องการให้ท่านช่วยถึงเวลาพักผ่อนท่านก็จะเรียกพระเจริญไปที่กุฏิคลี่กระดาษที่ญาติโยมเขียนไว้ออกอ่านให้ท่านฟังฟังแล้วรายไหนช่วยได้ท่านก็จะให้ม้วนใส่บาทอีกใบหนึ่งรายไหนช่วยไม่ได้ท่านก็จะสั่งให้ฉีกทิ้ง วันนี้ก็เช่นกันรายแรกที่พระเจริญอ่านคือดิชันชื่อนางอรดีบ้านอยู่บางนาขอให้หลวงพ่อช่วยแผ่เมตตาให้ด้วยลูกชายดิชันจะไปเรียนเมืองนอกดิชันสามีและลูกสาวอีกสองคนจะบินไปส่งถึงอเมริกาจึงขอให้หลวงพ่อพระหนุ่มอ่านยังไม่ทันจบหลวงพ่อก็สั่งว่า ท, ทิ้ง ท, ทิ้งรายนี้ถ่วยไม่ได้พระหนุ่มทำตามแล้วหยิบม้วนที่สองออกมาคลี่อ่านดิฉันชื่อกิมลังบ้านอยู่สาธุประดิษฐ์สามีของดิฉันติดการพนันงอมแงมและเจ้าชู้อีกด้วยได้ผลาญทรัพย์สินของดิฉันไปเกือบหมดตอนนี้ก็ได้เอาตึกที่ดิฉันอาศัยอยู่กับลูกๆไปจำนอง ดิฉันเกรงว่าถ้าขาดจำนองเมื่อใดลูกๆ ก, ก็จะไม่มีที่อยู่จึงขอให้หลวงพ่อสดรีบสั่งว่าเอาใส่บาตรไว้รายนี้ช่วยได้พรุ่งนี้ถ้าเขามาฟังผลบอกเขาว่าให้มาเข้ากรรมฐานเจ็ดวันแล้วจะช่วยได้คนนี้กูสลพอ รายที่สามเขียนว่าหลวงพ่อคะหนูเป็นเมียน้อยคนที่สี่ของสามีถูกอีเมียน้อยคนที่ห้ามันอิจฉาเพราะหนูสวยกว่ามันหลวงพ่อช่วยแผ่เมตตาให้หนูด้วยให้สามีรักหนูมากๆอย่าไปรักมันคนอ่านยิ้มและพูดขึ้นว่าเรื่องอย่างนี้ก็ต้องมาให้พระช่วยหลวงพ่อช่วยได้ไหมครับ ช่วยไม่ได้กูสลไม่พอทำไมถึงไม่พอล่ะครับพระนุ่มดูจะสนใจรายนี้เป็นพิเศษก็เขาไม่สร้างกูสลเขาไวคนที่ไปแย่งสามีคนอื่นนี่บาปนะเธอพูดชายมีทมเททำไมต้องไปแย่งเขาด้วยท่านตำหนิ แล้วรายแรกทำไมหลวงพ่อถึงบอกว่าช่วยไม่ได้ละครับที่จะไปเมืองนอกเนอะหรือก็กุศลไม่พออีกเหมือนกันครุ่งนี้เขาจะเดินทางแต่ไปไม่ถึงอเมริกาหรอกไม่เชื่อเธอคอยดูทำไมล่ะครับพระหนุ่มสงสัย เครื่องบินตกนะสิพากันตายทั้งครอบครัวเลยทำไมลุงพ่อไม่ช่วยเขาล่ะครับอย่างน้อยก็บอกเขาว่าไม่ให้ไปแล้วใครเขาจะเชื่อเราละ่ะมันเป็นกรรมของเขาเขาทำกรรมมาด้วยกันก็ต้องมารับวิบากรวมกัน เธอคอยอ่านขาวหนังสือพิมพ์วันมารืนนี้ก่นแล้วกันเอาอ่านรายต่อไปสิกว่าจะถึงรายสุดท้ายทั้งคนอ่านและคนฟังก็เหนื่อยไปตามๆกันวันนี้มีผู้มาร้องทุกร้อยกว่ารายมีช่วยได้ห้าสิบรายนอกกนั้นช่วยไม่ได้พระเจริญรู้สึกข้องใจจึงถามหลวงพ่อสดว่า หลวงพ่อครับหลวงพ่อรู้ได้ยังไงว่ารายนี้ช่วยได้รายนี้ช่วยไม่ได้ผมสังเกตว่ารายไหนที่หลวงพ่อบอกว่าช่วยได้ก็ช่วยเขาได้จริงๆส่วนรายที่ไม่ได้ก็ไม่ได้จริงๆอีกเหมือนกันหลวงพ่อใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาครับถ้าเธออยากรู้ก็ต้องริ่งปฏิบัติให้ได้ธรรมกายแล้วเธอจะไม่ถามอย่างนี้อีก แม่หลวงพ่อครับผมเพิ่งจะบวชได้แค่หพรรษาประสบการณ์ยังน้อยกว่าจะทำได้อย่างหลวงพ่อผมหมายถึงว่าได้ธรรมกายก็คงจะแก่เกินแกงแล้วหลวงพ่อกรุณาอธิบายให้ผมฟังก่อนได้ไหมครับก็ได้เราจะอธิบายให้เธอฟังแบบย่อๆนะเพราะเคยพูดเรื่องนี้มาบ้างแล้ว เธอคงยังจำได้เรื่องการแผ่เมตตานะ่ะจำได้ใช่ไหมครับผมยังไม่ลืมพระหนุ่มตอบนั่นแหละมันก็คล้ายๆกันคือการที่เราแผ่เมตตาไปก็เหมือนกับชาร์จไฟเข้าหม้อแบตเตอรี่ถ้าหม้อดีก็เก็บไฟอยู่ แต่ถ้าหม้อรั่วไฟก็รั่วออกหมดทีนี้คนที่ไม่มีกุศลก็เปรียบเหมือนหม้อรั่วก็เสียเวลาที่เราจะไปช่วยถ้าเป่าหัวก็เสียลมในท้องเปล่าๆพอจะเข้าใจหรื อ, อยังเข้าใจครับแต่ก็ยังสงสัยอีกนั่นแหละว่าหลวงพ่อรู้ได้ยังไงว่า แบตเตอรี่ของคนนี้รั่วหรือไม่รั่วตรงนี้แหละสำคัญเราขอบอกเธอสั้นๆว่าได้ธรรมกายเมื่อไรเธอก็จะหายสงสัยเมื่อนั้นเอาละ่ะกลับห้องได้เราจะพักผ่อนเสทีพระผงวัดปากน้ำรุ่นแรก ที่หลวงพ่อสดแจกญาติโยมนั้นมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือเมื่อถูกน้ำเจะละลายพระเจริญหัวคิดดีจึงใช้เนนป้องไปซิ้เลกเกอร์ตราปลาตะเพียนคู่มาแล้วนำพระผง ม, มาชุบเลกเกอร์ผึ่งลมไว้จนแห้งปรากฏว่าสามารถแก้ปัญหาพระละลายน้ำได้เมื่อต้นทุนการทำพระสูงขึ้น ทางวัดจึงเปลี่ยนนโยบายจากการให้เปล่ามาเป็นให้เช่าองค์ละ25บาทญาติโยมพากันมาเช่ามากกว่ามารับแจกซะอีกคงจะเห็นว่าของได้เปล่าไม่มีราคาถ้าต้องใช้เงินแลกดูมีค่าขึ้นพระเจริญจะมีหน้าที่ช่วยหยิบพระส่งให้หลวงพ่อซึ่งท่านจะให้เช่าเพียงหนึ่งองค์ตอนหนึ่งคน ใครจะขอเช่ามากกว่าหนึ่งองค์ท่านก็ไม่ให้โยมผู้หญิงคนหนึ่งมาแอบกระซิบพระเจริญว่าช่วยบอกหลวงพ่อหน่อยฉันจะขอเช่าหลายองค์จะได้หรือเปล่าจะเอาไปฝากญาติญาติทางปักใต้พระหนุ่มยังไม่ทันบอกหลวงพ่อสดก็พูดขึ้นว่าไม่ได้เช่าเกินหนึ่งองค์ไม่ได้โยมคนนั้นตก ใจจนหน้าซีดคิดว่ากระซิบเบาที่สุดแล้วทำไมหลวงพ่อจึงได้ยินความจริงแล้วโยองคนนี้แกหูตึงเวลาใครพูดกับแกต้องตะโกนดังๆพอแกพูดกับคนอื่นก็คิดว่าเขาจะไม่ได้ยินเหมือนอย่างแกจึงพูดเสียงดังกว่าปกติขนาดพูดกระซิบก็ยังดังจนหลวงพ่อได้ยินถึงเวลาพักผ่อน พระหนุ่มต้องมาช่วยอ่านคำร้องทุกเช่นทุกวันจึงถือโอกาสเรียนถามสมภารว่าลุงพ่อครับทำไมถึงไม่อนุญาตให้โยมเขาเช่าพระผงคนละหลายหลายองค์จะได้มีเงินเข้าวัดมากๆท่านคิดว่าเป็นคำถามที่มีเหตุผลหากลุงพ่อสดกลับตอบว่าช้าไว้เธอหี่ว่องตื่นมาก รู้ไวเ้เถิดว่าเราจะให้เช่าเฉพาะคนที่เขานับถือเราเท่านั้นแต่ผมคิดว่าถ้าเขาเช่ามากเราก็ได้เงินมากหลวงพ่อได้เงินนะครับท่านยำ้ำที่เธอพูดมันก็มีส่วนทุกแต่ที่เราให้เช่าองค์เดียวเพราะคนอื่นที่เขาไม่รู้จัก ไม่นับถือเราได้ไปก็ไม่มีประโยชน์สำหรับเขาเราจะให้เช่าเฉพาะคนที่นับถือเราใครไม่รู้จักเราได้ไปพระก็ไม่ครั้งช่วยเขาไม่ได้เขาก็จะมาว่าเราแล้วก็จะเอาพระไปทิ้งซะเปล่าๆคือเหตุผลที่ท่านไม่ให้เช่าเกินหนึ่งองค์ แล้วถ้าผมจะขอเช่าไปฝากพี่ป้าน้าอาทางเมืองสิงห์จะได้หรือเปล่าครับพระเจริญถามอีกก็พี่ป้าณ้าอาของเธอเขารู้จักเราไหมถ้าไม่รู้จักเขาก็จะเอาไปทิ้งเสียของเลยเธอจำไว้คนที่เราจะแจกเขาต้องนับถือเรามาเรียนธรรมะกับเรา เราก็ช่วยเขาได้ส่วนคนที่ไม่ได้มาเรียนธรรมะกับเราเราก็ช่วยเขาไม่ได้ถึงได้พระไปก็ไม่ครั้งจึงต้องให้เช่าองค์เดียวหลวงพ่อสดย้าครับถ้าเช่นนั้นผมก็จะขอเช่าองค์เดียวครับพระหนุ่มยอมจำนนต่อเหตุผลของสมภาร ไม่เป็นไรสำหรับเธอไม่ต้องเช่าเวลากลับบ้านเราจะให้ซักสองกาให้เก็บไว้แจกคนที่รู้จักเราคนเมืองสิงห์คงมีบ้างหรอกที่เขารู้จักหลวงพ่อสดวัดปากนา้ำพาษีเจริญถ้อยคำของหลวงพ่อสดทำให้พระหนุ่มปิตินะัก จากนั้นจึงทำหน้าที่อ่านดีกาถวายสมพานวัดปากน้ำ